พระบัญญัติแ3 4้ก็ภิกษุณีใดไปดูการฟอนรำการขับร้องหรือการประโคมดนตรีต้องอบัตปาจิตตีเรื่องภิกษุณีชาพักขีจบ